ใช้รหัสลับสุดขอบฟ้าหนึ่งการผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกทั้งปวงเรามีหน้าที่ในการเรียนรู้ในการผ่าตัดเชื้อโรคตัวจริงก็คือกิเลสตัวก่อโรคและความเดือดร้อนทั้งปวงก็คือกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นแพทย์ที่สามารถผ่าตัดกิเลสได้ เราจึงจะเป็นแพทย์วิถีธรรมได้ถ้าเราไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เราก็ไม่พ้นทุกชาวโลกก็ไม่พ้นทุกการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บและความเดือดร้อนทั้งปวงไม่มีวันประสบความสาเร็จได้ถ้าไม่ผ่าตัดกิเลสออกจากชีวิตได้เราเรียนรู้การผ่าตัดกิเลส จึงเป็นเป้าหมายหลักของแพทย์วิถีธรรมซึ่งจะเป็นที่พึ่งแท้ของเราและของชนวิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญที่สุดของเราและทุกๆชีวิตการผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกทั้งปวง การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกทั้งปวงต้องศึกษารายละเอียดดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าละเหตุทุกได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงจากขุทกนิกายะธรรมประทายี่ิห้าข้อห้ิบเละทุกทั้งปวงได้เป็นความสุขจากขุทกนิกายะธรรมประทายี่ห้าข้อสาสาม จะเห็นได้ว่าความสุขที่แท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเกิดจากการละหรือดับทุกขได้การจะละหรือดับทุกข์ได้เกิดจากการละหรือดับเหตุของทุกข์ได้พระไตรปิฎกเล่ม19ตถาคัตสูตรข้อห6ึ่ถึงหนึ่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกทั้งปวง ต้นเหตุเกิดจากการหลงเสพกิเลสการมาสุ ข, ขลิกะและอัตตกิลมถะการหลงเสพกิเลสการมาสุ ข, ขลิกะคือการหลงเสพสุขลวงสุขไม่จริงสุขชั่วคราวสุขไม่ยั่งยืนในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาบยศสารเสริญทำให้เกิดทุกข์ทั้งปวง การหลงเสพการมาสุขคลิกะคือการหลงเสพสุขลวงทำให้เกิดทุกข์ทั้งปวงได้อย่างไรค้นหาคำตอบได้ในพระไตรปิฎกเล่มสี่มหาขันธกะข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสหลักปฏิจจสมุปบาทอนุโลมสิบเอ็ดคือการอาศัยกันและการเกิดขึ้นหรือ ความเป็นเหตุปัจจัยสืบเนื่องกันเป็นไปตามลำดับเพราะอาวิชชาหรือความหลงความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งว่ากิเลสสุกลวงและความยึดมั่นถือมั่นจะนำทุกมหาสารทั้งปวงมาให้เป็นปัจจัยหรือเหตุจึงมีสังขารหรือการปรุงแต่งผสมผสานสร้างสังเคราะห์ สังขารจึงมีวิญญาณหรือพลังงานแห่งความรู้สึกนึกคิดวิญญาณจึงมีนามรูปหรือตัวรู้และตัวถูกรู้นามรูปจึงมีสลายตนะหรือสื่อติดต่อหกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ สลายตระหนัจึงมีผัสสะหรือสิ่งที่มาสัมผัสหรือกระทบผัสสะจึงมีเวทนาหรือความรู้สึกเวทนาจึงมีตัณหาหรือความอยากตัณหาจึงมีอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานจึงมีพบหรือสภาพที่อาศัยอยู่พบจึงมีชาติ หรือการเกิดชาติจึงมีชราหรือความแก่ความเสื่อมมรณะความตายโศกความเศร้าโศกปริเทวะคร่ำครวญรำพันห่วงหาอาลัยอาวรณ์ทุกข์ไม่สบายโทมนัสเสียใจอุปายาตหรือความลำบากทัดแค้แนใจ กองทุกทั้งมวล น, นั้นย่อมเกิดด้วยประการชนี้หมายความว่าเมื่อชีวิตใดหลงคิดว่ากิเลสสุขลวงสุขไม่จริงสุขชั่วคราวสุขไม่ยั่งยืนในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาบยศสรรเสริญและความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ดังใจหมายเป็นสิ่งที่ควรเสพ เป็นเหตุให้จิตวิญญาณของผู้นั้นสังขารคือการปรุงแต่งผสมผสานสร้างสังเคราะห์พลังงานความรู้สึกสุกลวงที่ได้เสพสิ่งนั้นดังใจหมายซึ่งเป็นวิญญาณของกิเลสที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในจิตวิญญาณของผู้นั้นวิญญาณของกิเลสก็จะพัฒนาต่อเนื่องให้มีสภาพนามรูป นามคือสภาพรู้และรูปคือสภาพที่ถูกรู้ว่าอะไรมากระทบแล้วรู้สึกอย่างไรวิญญาณที่มีคุณภาพถึงขั้นนามรูปจะมีความสามารถในการดูดวัตถุและพลังงานมาเป็นสลายะตนะนคือสื่อติดต่อหกอย่างได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ เพื่อจะเสพสิ่งนั้นตามต้องการรวมทั้งพลังงานที่เชื่อมต่อระหว่างวัตถุกับวิญญาณให้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเรียกว่าสลายตณะหนายนอกเมื่อเกิดสภาพรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรรูปในจิตวิญญาณเช่นเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดเยน็นร้อนอ่อน แข็งสูงต่ำดำขาวสุขทุกข์เป็นต้นก็มีพลังงานเชื่อมต่อให้นามในจิตวิญญาณรับรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นเรียกว่าสลายตระนภายในสลายตณะหนัจึงมีผัสสะหรือสิ่งที่มาสัมผัสหรือกระทบผัสสะจึงมีเวทนาหรือความรู้สึกสุขทุกข์ เฉยๆเวทนาจึงมีตัณหาหรือความอยากอยากได้สิ่งที่รู้สึกสุขอยากเอาสิ่งที่รู้สึกทุกข์ออกไปตัณหาจึงมีอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นว่าความรู้สึกสุขลวงจากได้เสพสมตามที่กิเลสต้องการและความรู้สึกทุกข์จากการไม่ได้เสรตามที่กิเลสต้องการนั้น เป็นตัวเราของเราอุปาทานจึงมีภบหรือสภาพสุกลวงที่อาศัยอยู่พบจึงมีชาติหรือพพอันคือสุกลวงนั้นเกิดขึ้นและตั้งอยู่นานเท่าไหร่ก็มีชาติเกิดของสุกลวงอยู่เท่านั้นชาติจึงมีชาราหรือความแก่หรือความเสื่อมของสุกลวงมรณะ หรือความตายหรือความดับของสุขลวงซึ่งสุขลวงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในระยะเวลาเพียงสั้นๆดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของกิเลสนั้นเหมือนกลุ่มฟองน้ำฟองน้ำพยับแดดต้นกล้วยมายากลจากพระไตรปิฎก เล่มส7บเจ็ข้อสองสถึงสองจึงมีโศกะหรือความเศร้าปริเทวะคร่ำครวญรำพันห่วงหาอาลัยอววรในสุกลวงนั้นเมื่อยังไม่ได้เสพสุกลวงนั้นก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ไม่สบายโทมนัสเสียใจอุปาญาตความลำบากใจทับแขนใจอึดอัด กดดันหดหูรำทานขุ่นมัวไม่โปรง่งไม่โลง่งไม่เบิกบานไม่ผ่องใสจากนั้นก็จะพัฒนาไปเป็นกองทุกทั้งมวลซึ่งสัมพันธ์กับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม27ิข้อหน้ากามรทั้งหลายมีความพอใจความสุขน้อยทุกอื่นยิ่งกว่าการไม่มี ชนเหล่าใดซ่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกข้อห5 5 0้าหเหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชือดเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทงเหมือนหอกที่พุ่งปักอกเจ็บปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นข้อห5 5่ห้าเอ็ด หลุม่านเพลิงลุกโพล่งแล้วลึกกว่าชั่วบุรุษผานที่เขาเผาร้อนอยู่ตลอดวันร้อนปานใดการทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นข้อหนึ่งห้า้อห้าิบสองเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรงน้ำมันที่เดือดพล่านทองแดงที่กำลังละลายคว้างร้อนปานใด กามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นสัมพันธ์กับที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบเจ็ดคุมพิยะชาดกเปรียบวัตถุตกกามเหมือนยาพิษข้อเจ8้ยเจ็ดสบยักษ์ชื่อคุมพิยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู่ได้วางยาพิษอันมีสีกลิ่นและรสเหมือนทาพึ่งไว้ในป่า ข้อเจ็ดร้อยเจ็สิบเก้าสัตว์เหล่าใดมาสําคัญว่าน้ําผึ้งกินยาพิษนั้นเข้าไปยาพิษนั้นเป็นของร้ายแรงกว่าสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นต้องพากันเข้าถึงความตายเพราะยาพิษนั้นมีรายละเอียดคือเมื่อจิตวิญญาณแท้หลงว่าสุกลวงอันคือวิญญาณกิเลส ที่ชีวิตหลงสร้างขึ้นมานั้นเป็นตัวเราของเราหลงว่ากิเลสคือชีวิตเราเราคือชีวิตกิเลสชีวิตผู้นั้นจึงยอมเทพลังงานให้กิเลสเพื่อไปสร้างความรู้สึกสุขลวงให้กิเลสเสพเลี้ยงให้กิเลสโตขึ้นเมื่อกิเลสเอาพลังงานของชีวิตนั้นไปสร้างความรู้สึกสุขลวง จะใช้จ่ายพลังงานอย่างมากเกิดของเสียที่เป็นพิษอย่างมากทำให้อ่อนเพลียเร้าหมองมีโรคมากและอายุสั้นซึ่งเป็นพลังงานและสารที่เป็นพิษชนิดเดียวกันกับผู้ที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วดีใจมากสุขใจมากจนหมดแรงสลบหรือหัวใจวายตาย ส่วนการสร้างความรู้สึกสุขลวงอื่นๆที่ไม่ได้ดีใจมากสุขใจมากขนาดนั้นพิษก็รองลงมาตามความมากน้อยของสุขลวงสุขลวงมากก็พิษมากสุขลวงน้อยก็พิษน้อยไม่มีสุขลวงก็ไม่มีพิษจากสุขลวง อย่าปล่อยให้ชีวิตสุนเปล่าไปวันวันจงภาคเพียรขวนขวายทำความดีโดยการพึ่งตนในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตและเกื้อกูลประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่องค์ประกอบแห่งปัจจัยจะทำได้ วิทยาศาสตร์พบว่าในมหาจักรวาลมีแต่วัตถุและพลังงานที่หมุนวนกันไปมาเท่านั้นเมื่อวัตถุแตกสลายจะกลายเป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กเมื่อพลังงานคลื่นแม่เหล็กมารวมกันก็จะเป็นวัตถุดังนั้นในมหาจักรวาลจึงมีเพียงคลื่นแม่เหล็กที่อยู่ในรูปพลังงานและอยู่ในรูปวัตถุเท่านั้น จิตวิญญาณจึงคือคลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีลักษณะเจ็ดประการดังนี้หนึ่งทุรังคมังไปได้ไกลสองเอกจรังไปแต่ผู้เดียวสอัอสรีรังไม่มีรูปร่างสคูุหาสยังมีกายเป็นที่อาศัย ถ้าไม่มีกายก็อาศัยอยู่ในจิตตนเองห้อาอนิทัศนังมองไม่เห็นหกอนัตตังไม่มีที่สิ้นสุดเจ็ 7. สัพพโตประพังแจ่มใสโดยประการทั้งปวงจากพระไตรปิฎกเล่มเก้าเกตะวัตสูตรข้อส5 0ร้ห้าสิบพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบห้าจิ ต, ตวัคะค ข้อสิบสธรรมชาติของแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำให้เหล็กปรับสภาพคลื่นในเหล็กนั้นให้มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กตามในยะเดียวกันจิตวิญญาณซึ่งคือคลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิตที่ทุรังขมังไปได้ไกลอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดก็จะมีพลังเหนี่ยวนำให้ชีวิตอื่นๆ กลับึืนให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นอยู่ใกล้ๆคนดีจะมีแรงเหนี่ยวนาให้ทาดีอยู่ใกล้คนชั่วจะมีแรงเหนี่ยวนาให้ทาชั่วยิ่งอยู่ในหมู่กลุ่มคนดีจะยิ่งมีแรงเหนี่ยวนำให้ทำดีได้มากแม้คนชั่วที่แฝงเข้ามาทาชั่วอยู่ในกลุ่มคนดีบางคนจะเปลี่ยนใจไม่ทำชั่ว บางคนหยุดชั่วแล้วหันมาทำดีแม้บางคนจะทำชั่วอยู่แต่ถ้าไม่มีพลังดีของคนดีคนชั่วจะทำชั่วหนักกว่านั้นอีกแต่โดยสัจจะแล้วการทำชั่วในกลุ่มคนดีจะบาปแรงกว่าการทำชั่วในกลุ่มคนชั่วอยู่ในหมู่กลุ่มคนชั่วก็จะยิ่งมีแรงเหนี่ยวนำให้ทำชั่วได้มาก ยกเว้นผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสเรื่องนั้นๆแล้วเท่านั้นที่ความชั่วจากกิเลสตัวนั้นๆจะเหนี่ยวนำให้ทำความชั่วชนิดนั้นไม่ได้อีกตัวอย่างหนึ่งเวลาเราไปในวัดวันที่คนส่วนใหญ่ถือศีลแปดไม่กินอาหารมื้อเย็นเราก็จะไม่กินมื้อเย็นได้โดยไม่ยากไม่ลําบาก เพราะมีพลังขึ้นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผู้ไม่กินอาหารมื้อเย็นเหนี่ยวนำเราแต่พอเราออกนอกวัดกิเลสก็จะมารอตั้งแต่อยู่หน้าวัดว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีเพราะมีขึ้นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผู้เสพอาหารมื้อเย็นเหนี่ยวนำเราหรือเมื่อเราไปพบใครหรือหมู่กลุ่มใดที่กําลังกินอะไรอร่อยๆอย่างมีความสุข เราก็มักจะมีความรู้สึกอยากกินตามไปด้วยเป็นต้นยิ่งหูได้ยินเสียงตากระทบรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสยิ่งเหนี่ยวนำได้แรงมากยิ่งอยู่ใกล้แรงเหนี่ยวนำยิ่งมากแม้ไม่ได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีแรงเหนี่ยวนำแต่มีแรงเหนี่ยวนำน้อยกว่าการได้สัมผัส ดังนั้นทันทีที่ใครเสพสุขลวงก็จะเหนี่ยวนำให้คนอื่นอยากเสพสุขลวงตามไปด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ก็จะถูกเหนี่ยวนำแรงที่สุดเมื่อเหนี่ยวนำใครได้สนามแม่เหล็กแห่งการเสพสุขลวงนั้นก็จะรวมกันและมีพลังเหนี่ยวนำแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเหนี่ยวนำคนอื่นๆต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่และผู้ที่หลงสุขลวง ก็จะเสพสุขลวงช้าๆเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจึงเพิ่มพลังเหนี่ยวนาให้แรงมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเป็นลำดับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อแต่ละคนที่ถูกพลังเหนี่ยวนาเอาพลังของชีวิตไปสร้างความรู้สึกสุขลวงจะใช้จ่ายพลังงานอย่างมากเกิดพลังงานและสารของเสียที่เป็นพิษอย่างมาก ทำให้อ่อนแรงเศาหมองมีโรคมากและอายุสัน้นประกอบกับโดยสัจจะสุกลวงในสิ่งใดใดทุกตัวคือพลังงานที่เติมกันทั้งหมดเช่นการได้ลาบยศก็จะกระตุ้นให้อยากได้การยกย่องสรรเสริญการได้การยกย่องสรรเสริญก็จะกระตุ้นให้อยากได้ลาบยศเมื่ออยากได้ลาบยศสรรเสริญก็อยากได้อำนาจ เมื่อมีอำนาจก็อยากได้ลาบยศสรรเสริญมีอำนาจก็อยากแบ่งขม่มอยากอวดใหญ่อวดโตเมื่อได้แบ่งขม่มอวดใหญ่อวดโตก็อยากมีอำนาจการได้ลาบยศสรรเสริญ ต, ต่างๆก็ทำให้อยากโชว์อยากฉลองด้วยอาหารอร่อยๆเพลงไพเราะไพเราะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆการมีอาหารอร่อยๆ เพลงไพเราะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆก็ทําให้อยากโชว์อยากได้ลาบยศสารเสริญฟังเพลงไพเราะทําให้กินอาหารอร่อยเป็นสุขยิ่งขึ้นการกินอาหารอร่อยก็ทําให้มีความสุขในการฟังเพลงมากขึ้นฟังเพลงมันๆจะกระตุ้นให้อยากเต้นเข้าจังหวะการเต้นเข้าจังหวะจะกระตุ้นให้อยากฟังเพลงมันๆ เมื่อแต่งตัวสวยหลอ่อหรือมีความเด่นบางอย่างก็อยากจะโชว์อยากได้รับการชื่นชมเมื่ออยากโชว์อยากได้รับการชื่นชมก็กระตุ้นให้แต่งตัวสวยหลอ่อหรือสร้างความเด่นบางอย่างการอยากเด่นอยากโชว์มากๆทําให้หน้าด้านอยากหน้าด้านมากๆวิธีการหนึ่งที่ทําให้หน้าด้านมากๆได้คือการดื่มเหล้า การดื่มเหล้าจะกระตุ้นให้อยากกินกับแกล้มการกินกับแกล้มจะกระตุ้นให้อยากดื่มเหล้าการดื่มเหล้าก็ทําให้อยากเสพอย่างอื่นๆตามมาอีกเป็นต้นดังนั้นเมื่อเสพสุขลวงอย่างหนึ่งก็จะเติมพลังให้อยากเสพสุขลวงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาบยศสารเสริญการได้สมใจอย่างอื่นๆทุกอย่างที่คนนั้นติดด้วย การเสพแต่ละครั ways, ้งก็จะเพิ i, aliens, women, ่มความติดยึดมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพิ่มความอยากเสพเข้มข้นและหลากหลายมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่ออยากเสพมากๆแต่ไม่สามารถหามาเสพได้ด้วยวิธีสุจริตก็จะลักขโมยช่อโกงแย่งชิงเข่นฆ่าเบียดเบียนทำร้ายสารพัดรูปแบบ เพราะการหลงเสพสุขลวงมากๆทำให้เกิดความโลภอยากเสพอยากครอบครองสิ่งที่ทำให้ได้เสบสุขลวงนั้นให้มากๆเมื่อความโลภรุนแรงมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็จะทำความชั่วได้ทุกเรื่องเช่นอยากกินเนื้อสัตว์มากก็เป็นเหตุให้สัตว์ถูกฆ่าตายอยากข่มขืนคนมาก ก็เป็นเหตุให้คนถูกข่มขืนรวมทั้งถูกฆ่าปิดปากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มากๆ ก, ก็เกิดปัญหาลักขโมยช่อโกงแก่งแย่งแข่งขันเข่นฆ่าเบียดเบียนทำร้ายคนสัตว์และผลานทรัพยากรโลกเกิดขายเนื้อขายตัวประพฤติผิดในการใช้วาจาโกหกและวาจาที่เป็นบาปต่างๆ สร้างความเดือดร้อนทุกทรมานทุกรูปแบบให้กับตนเองและผู้อื่นรวมถึงสัตว์ต่างๆในโลกเมื่อหลงติดสุขลวงมากๆก็จะทําให้เอามาเสพมากๆเอามากักตุนมากๆและผลานทรัพยากรโลกมาแปลเป็นทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพื่อเอาไว้ซื้อหรือแลกเปลี่ยนเอาสิ่งที่ติดมาเสพสุขลวงให้ได้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความขาดแคลนในโลกทำให้เกิดการล together, ants, 哈哈哈ักขโมยช่อโกงแย่งชิงเข่นฆ่าเบียดเบียนทำร้ายสารพัดรูปแบบเมื่อทรัพยากรโลกถูกนำมาใช้มากเกินความสมดุลก็จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติสารพัดรูปแบบความเดือดร้อนใดๆที่เกิดขึ้นกับใครๆ ที่คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผู้ใดมีส่วนในการเติมเต็มเสริมหนุนให้เกิดสภาพนั้นอยู่เท่าใดคลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผู้นั้นก็จะดูดดึงเอาพลังแห่งความเดือดร้อนอันไม่มีที่สิ้นสุดตามกลไกลของสัจจ์ ด, ดังกล่าวมาเป็นพลังสร้างผลร้ายหรือวิบากร้ายให้กับชีวิตของผู้นั้นในชาตินี้ชาติต่อไป และชาติอื่นสืบสืบไปดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระระภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวความที่กรรมการกระทำทางกายวาจาใจอันเป็นไปด้วยสันเจตนาที่บุคคลทำแล้วสะสมแล้วจะสิ้นสุดไปโดยไม่ได้เสวยผลแต่กรรมนั้นแหละจะให้ผลในภพนี้หรือในภพถัดไป หรือในพบอื่นสืบสืบไปจากพระไตปิฎกเล่มส7ิข้อ9 8ซึ่งสัมพันธ์กับข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่ม27สเจาริยะชาดกให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวข้อเจปดสผู้ใดลวงให้เราจับงูเห่า ว, ว่านี่ลูกนกสาลิกา ผู้นั้นตามพร่ำสอนสิ่งที่ลาโมกถูกงูนั้นกัดตายแล้วข้อเจ็้อยปสบสีคนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผู้ไม่ฆ่าเองและผู้ไม่ใช้คนอื่นให้ฆ่าตนคนนั้นถูกฆ่าแล้วนอนตายอยู่เหมือนกับบุรุษผู้ถูกงูกัดตายแล้วฉะนั้นข้อเจ็ดร้อยปดสิบห้า คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนตนและไม่ฆ่าตนคนนั้นถูกฆ่าแล้วนอนตายอยู่เหมือนกับบุรุษถูกงูกัดตายแล้วฉะนั้นข้อเจ็รบุรุษผู้กำรรมฝุ่นไว้ในมือพึ่งสัดฝุ่นไปในที่ทวน ล, ลมละอองฝุ่นนั้นย่อมหวนกลับมากระทบบุรุษนั้นเอง เหมือนบุรุษถูกงูกัดตายแล้วฉะนั้นข้อเจ7เจผู้ใดประทุสร้ายคนผู้ไม่ประทุสร้ายตนเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีความผิดเลยบากย่อมกลับมาถึงคนผ่านผู้นั้นเองเหมือนกับละอองละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้นข้อเจ7ออันธรรมดา ตัญหาเป็นสิ่งที่กว้างขวางอยู่นเบื้องบนให้เต็มได้ยากมักเป็นไปตามอำนาจของความปรารถนาเพราะฉะนั้นชนเหล่าใดมากำหนัดยินดีตัญหานั้นชนเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ทูลจักกรดไว้จะเห็นได้ว่าสาเหตุจากการหลงเสพกิเลสสุกลวงจึงทำให้เกิดกิเลสความโลภ เมื่อไม่ได้เศษกิเลสสุขลวงตามที่หลงจึงทำให้เกิดกิเลสความโกรธรากเงาของกิเลสความโลภความโกรธก็คือกิเลสความหลงอันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทั้งปวงต่อเนื่องเป็นลำดับลาดับดังที่กล่าวมาข้างต้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากองทุกข์ทั้งมวล ย่อมเกิดด้วยประการชนี้จากพระไตรปิฎกเล่มสี่มหาขันธกะข้อหนึ่งมีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องคือช่วงชีวิตที่แต่ละคนเป็นเด็กจะมีสุขลวงจากเงินทองข้าวของทรัพสมบัติรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ลาบยศสรเสริญการได้ดังใจหมายมาเสภประมาณหนึ่งพอโตขึ้นจะมีสุขลวงจากสิ่งดังกล่าวมาเสภมากขึ้นกว่าตอนเป็นเด็กจะเห็นได้ว่าปัญหาภาระความทุกข์ความกังวลต่างๆก็จะมากกว่าตอนเป็นเด็กและมีแนวโน้มที่มากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแสดงให้เห็นชัดว่า เสพสุขลวงมากก็จะมีวิบากกรรมร้ายที่ปริมาณมากเสพสุขลวงน้อยก็จะมีวิบากกรรมร้ายที่ปริมาณน้อยซึ่งสัจจะดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันโดยทดลองด้วยตนเองจะพบว่าช่วงไหนที่เสพสุขลวงมากก็จะมีวิบากกรรมร้ายที่ปริมาณมากช่วงไหนที่เสพสุขลวงน้อย ก็จะมีวิบากกรรมร้ายที่ปริมาณน้อย